ใครไม่เคยมาไม้ไมีไหมใครยังไม่เคยมาที่นี่เลยมีสองคนหนึ่งเหรอ <c oughs> เคยฟังซีดีเปล่าเคยเราไม่ยากนะถ้าไม่เคยเลยนะฟังหลวงพ่อพูดยากเหมือนกันที่ยากเพราะว่าหลวงพ่อพูดไม่ค่อยเหมือนใครเขาหอง พูดเรื่องสภาวะแท้ๆเลยการปฏิบัตินะถ้าเราไม่เห็นสภาวะจริงๆไม่เห็นการทํางานจริงๆของรูปธรรมนามธรรมของกายของใจะไองเงี้ยวางไม่เห็นของจริงมันไปไม่รอดะนือมันไม่ได้เป็นเดินปัญญาส่วนมากธรรมะที่พวกเราคุ้นเคยก็เรื่องทําทานรักษาศีลนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยคุ้นเคยเรื่องพวกนี้แต่ไหนแต่ไรมา ไปไหนก็มีเรื่องทำทานรักษาศีลนั่งสมาธนะิหลังๆก็แถบเรื่องงมงายอื่นๆก็ไปด้วยให้ไปทำพิธีกรรมแปลกๆทำแล้วเฮงอะไรไกลศาสนาพุทธไปด้วยศา ส, สนาพุทธไม่เน้นเรื่องเฮงเรื่องอะไรหรอเนาะ <c oughs> เน้นเรื่องกรรมต้องทำเอาไปเจอพระสูตรสตรหนึ่งนะโพธิราชกุมาร ประสูดในมัชฌิมานิกายท่าพุทธเจ้าท่านสอนถึงองค์ธรรมหประการของผู้ปฏิบัติคือถ้าใครมีองค์ธรรมหประการนี้การปฏิบัติไม่ยากเกินไปง่ายโอกาสประสบความสําเร็จนี้นสูงมากแรกเลยศรัทธานะมีศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้า เราก็ไม่มีกำลังใจปฏิบัติทำ า, ทาหยุดๆไปเรื่อยทุกวันนี้คนได้รับการศึกษาสูงนะเชื่อมั่นตัวเองสูงแต่ศึกษาเรื่องโลกโลกไม่เคยศึกษาธรรมะที่เป็นแก่นสารสาระจริงๆก็เลยรู้สึกศาสนาพุทธเป็นแค่ปรัชญาเพราะพระพุทธเจ้าเาป็นนักปรารถย ไม่รู้เหรอว่าไม่ใช่ปรัชญานะเป็นาศสาสตร์ศสตร์หนึ่งเลยาศาสตร์ว่าด้วยความทุกข์และความพ้นทุกข์นี่กัฟังฟังแล้วงมงายสอนอะไรเรื่องผีเรื่องเทวดาเรื่องอะไรเงี้ยตายแล้วเกิดอนะไรงฟังแล้วว่าพระพุทธเจ้างมงายก็เรียนผิวเผินคือตัดสินโดยที่ไม่ได้ศึกษาถ้าศึกษาเราจะไม่ตัดสินแบบเนี้ย ศา ส, สนาพุทธนะ่ยอย่างทุกวันนี้คนไม่ค่อยศรัทธาจริงๆไม่ศรัทธาอะไรเลยนะนอกจากผลประโยชน์รู้สึกไหมเราศรัทธาอะไรบ้างตอนเนี้ยอุดมการณ์การเมืองศรัทธาไหมเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจไหมเชื่อสถาบันสังคมอะไรไหมกระทั่งสถาบันพระสถาบันข้าราชการเชื่ออะไรบ้างเนะี่ ดูหน้าเหลือลาไปหมดแล้วนึกดูหาที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้ไม่มีอะไรน่าศรัทธาเลยนะมีแต่ผลประโยชน์น่าศรัทธาที่สุดได้ประโยชน์แล้วดีคนส่นใหญ่ไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาถ้าเป็นศรัทธาก็เป็นศรัทธางมงายไปเลยไปปิดทองพระแล้วดีไปลดน้ำมนต์แล้วดีก็ดีเหมือนกันดีกว่าลอกทองพระ <c oughs> ไปปิดทองพระก็ดีกว่าไปรอบทองพระมันโลภปิดทองได้ถ้าภาวนาเป็นนะดูจิตดูใจเสียสละทำพระให้สวย <c oughs> ใครเข้ามาเห็นเขาจะได้เบิกบานใจเขาเบิกบานใจเราก็ได้บุญฉลาดก็หาบุญได้นะโง่งก็ไม่ได้บุญหรอกศรัทธาที่ชาวพุทธทุกวันนี้มีนะความจริงไม่ใช่ชาวพุทธหรอก คนไหนที่ไม่ได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่จัดว่าเป็นชาวพุทธหรอกเกิดมาในทะเบียนบ้านอาจจะมีชื่อว่าเป็นชาวพุทธเดี๋ยวนี้บางทีเขาก็บางช่วงเขาก็ไม่มีนะเขาก็เอาออกเรื่องศาสนาบาทีก็มีทีก็ไม่มีคือถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะแล้วไม่ไม่ใช่ชาวพุทธถ้าได้ศึกษาแล้วศรัทธาถึงจะเกิด รู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระพุทธเจ้าสอนของจริงนะถ้าปฏิบัติตามแล้วได้ผลจริงแต่ก่อนจะเห็นอย่างนี้นะั้นต้องลงมือทดลองดูก่อนทดลองปฏิบัติดูก่อนพอทดลองปฏิบัติแล้วเราเริ่มเห็นผ ล, นะลเราก็จะศรัทธาเออธรรมะมันมีจริงนะเราศรัทธาว่าธรรมะมีจริงเราก็จะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงนะงั้นเวลาปฏิบัตินะเราฝึกใจของเรา ให้ใกล้เคียงความเป็นพระสงค์มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะเข้าใจพระธรรมมากขึ้นมากขึ้นแล้วเชื่อมั่นพระพุทธเจ้ามากขึ้นมากขึ้นอย่างถ้าศรัทธากลับกรอกไม่ภาวนาจริงจะต้องศรัทธาจะแน่นแฟน้นแล้วต้องประกอบด้วยปัญญาต้องเห็นผลของการปฏิบัติบ้างแล้วอย่างที่หลวงพ่อพาพวกเราภาวนานะหันดูจิต ด, ดูใจครูบาอาจารย์บางท่านว่าดีนะ เห็นผลเร็วพอเราหัดดูจิต ด, ดูใจของเราพักเดียวนะจากคนไม่มีศีลก็เริ่มมีศีลขึ้นมาจะทําผิดศีลก็ชักล า, ายใจจากคนฟุง้งซ่านทําสมาธิไม่เคยได้ก็ทําสมาธิง่ายขึ้นง่ายขึ้นไม่เห็นจะยากอะไรจากคนที่ไม่เคยเรียนรู้ความจริงของชีวิตก็ได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตมากขึ้นเห็นผลเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะอย่างที่หลวงพ่อพาพวกเรา อัเจริญสตินะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างรวดเร็วนี่ศรัทธามันถึงจะเกิดเป็นศรัทธาที่มาจากปัญญานะเห็นผลในเบื้องต้นแนละ้วขนาดเราทำนิดๆหน่อยๆยังมีผลถึงขนาดที่ว่าความทุกข์ตกหายไปต่อหน้าต่อตาเป็นคราวๆไม่ถึงตลอดเวลาแต่เป็นคราวๆนะเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยลงเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงใจจะเริ่มศรัทธา ในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มากขึ้นเพราะนตัวแรกเลยนะถ้าเราขาดศรัทธาซะอย่างเดียวเราก็ไม่ปฏิบัติแต่จะมีศรัทธาได้ก็ต้องเข้มแข็งต้องอดทนเนอยะลองปฏิบัติ ด, ดูสักช่วงหนึ่งก่อนพระพุทธเจ้าถึงชวนธรรมะของท่านนะเอหิปัสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดให้มาลองดูก่อนพอลองได้ริมรสชาติของธรรมะในเบื้องต้นบ้างแล้วนะ มันจะศรัทธาเกิดขึ้นเรียกขวนขวายที่จะภาวนาต่อไปธรรมมาตัวที่สองนั่นก็คือสุขภาพต้องแข็งแรงพอถ้าเราจะภาวนาให้ได้ดีนะในพระไตรปิฎกใช้คำว่าอาภาษน้อยเช่นกินอาหารแล้วก็ท้องไม่อืดไฟธาตุดีย่อยอาหารเก่งแต่ย่อยเก่งมากไปก็ไม่ไหวนะอยู่ทั้งวันกันไม่ไฟธาตแรงไปไฟธาตอ่อนไปอะไรเงี้ย สรุปภาษาไทยสมัยใหม่หน่อยก็คือสุขภาพแข็งแรงพอประมาณไม่ถึงต้องฟิตเปรี้ยวิ่งร้อยเมตรในเก้าวินาทีอะไรไม่จำเป็นหรอกนะแต่ไม่ใช่รอดแร่รอดแร่หายใจเรารวยนะแล้วมาเริ่มต้นภาวนายากนะนพวกเราดูหน้าดูตาพวกเราที่มาศึกษาธรรมะกับหลวงพ่อเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มคนสาวนะเป็นเด็กวัยรุ่นอะไรย่างเงี้ย สุขภาพก็ยังพอใช้ได้อยู่แต่ลูกศิษย์หลวงพ่อหนุ่มๆสาวๆก็ตายไปหลายคนแล้วนะเป็นมะเร็งตายรถทับตายบ้างเปล่าไม่รู้นะแต่ที่รู้นี่มีเป็นมะเร็งตายแต่รถคว่ำไม่ค่อยตายเวลารถคว่ำนะั้นสติมันเกิดหลบหลีกได้ถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงนะภาวนาก็ยากเห็นนั่งสมาธิแป๊บเดียวก็หลับแนละ้ ย่งหลวงพ่อเนะีกว่าจะบวชนะีกว่าจะได้บวชเนะี่พอนาตั้งแต่เจขวบนะแต่ตอนเด็กๆมันไร้เรียงสาพอนาไปงั้นเองทำแต่สมถะตอนอายุ29แล้วเจอหลวงปู่ดุลมาพอนาพอเข้าใจเบื้องต้นในธรรมะอยากบวชบวชไม่ได้ซะแล้วพาราเราเยอะเหลือเกินต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่ถ้าหนีพ่อหนีแม่ไปบวชล้วก็ถึงเข้าอนุญาตนะใจเราไม่สบาย ก็เป็นหวงอีกไม่มีใครดูแลกว่าจะหลวงพ่อได้บวชนะอายุ 40-48 นะอายุ48กี่รอบสี่รอบนะกําลังจะขึ้นรอบที่ห้ารอบที่ห้าคือเข้าวัยชราละววัยเรียกกลางคนตอนปลายและ้ะอายุขนาดนี้นะ48ถึง50ขึ้นนะสมองมันเริ่มเสื่อมและ ร่างกายไม่แข็งแรงเท่าแต่ก่อนแล้วนั่งสมาธิเดี๋ยวเดี๋ยวก็เคลิม <Okay. S 1> เคลิมง่ายนะจะเคลิมง่ายไม่เหมือนเด็กๆนั่งได้นานหลายชั่วโมงไม่เคลิมพออายุเยอะขึ้นนะนั่งสมาธิก็เคลิ้มง่ายถ้าไม่ฝึกซ้อมทุกวันนะถ้าซ้อมทุกวันก็ไม่เป็นไรต้องหาทางช่วยตัวเองใช้วิธีเคลื่อนไหวให้มากขึ้น จะเดินให้มากๆเขเดินไม่ค่อยจะไหวชักแก่แล้วนะเดินมากๆหัวเข่าก็ไม่ไหวข้อเท้าไม่ไหวอะไรเงี้ยนะไม่มีเงื่อนไขเยอะหลือเนทําให้ภาวนาลำบากพราะนั่งนะนั่งพัดไปมีพัดอยู่อันหนึ่งพัดอน่ทั้งวันนะหน้าร้อนก็พัดหน้าหนาวก็พัดหน้าหนาวพัดอย่างเงี้ย <c oughs> หน้าร้อนพัดอย่างเงี้ยนะแมงวีแมงวันมาพัดนะเคลื่อนไหวไปเลยไม่พัดซ้าซากเลยนะ ไม่ผัดซ้ำซากจะตุ้นความรู้สึกตัวไว้พันมือนั้นมั่งมือนี้มั่งไม่ใช่อย่างนี้ไม่ได้เรื่องหรอก <c ười> เคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกไปกระตุ้นความรู้สึกตัวก็คอยดูรูปดูนามดูกายดูใจไปนะถึงเวลาบางช่วงก็นั่งสมาธิ เพิ่มพลังลช่วงไหนนั่งสมาธิก็แรงเยอะขึ้นไม่เคลิม้มทีไม่มีเวลาเช้าขึ้นมาโยมมาเต็มวัดเลยสวนโพธิ์ที่แรกไม่มีวันหยุดนะเปิดทุกวันแล้วก็เปิดทั้งวันใครมาตอนไหนก็ได้โอ้กวนการภาวนาของเรามากเลยแต่ก็ต้องทนเอานะเป็นพระไม่รู้จะทำไงโยมมหาตอนหลังเริ่มนึกได้ครูบาอาจารย์ท่านกาหนดเวลา ท่านกำหนเวลาเลอยอมีเวลาแล้วก็ค่อยชั่วแบ่งเวลาไว้สําหรับตัวเราเองบ้างภาวนาเหนื่อยเต็มทีแล้วเจอโยมสอนแรกๆนะเจอคนมาใหม่วันหนึ่งสองสามคนเนะี่ยหมดแรงแล้วสอนยากนะไม่เดี๋ยวนี้สอนสบายกว่าเยอะเลยเดี๋ยวนี้แรงเยอะกว่าเก่าด้วยแล้วโยมชักกลัวเราเลยแต่ก่อ น, นันเคยเห็นๆกนันก็โยมมาด้วยกันแล้วว่ามันจะแน่สักแค่ไหน่ะ เวลามันมาเรียนนะั้นมันเด๋ยวพวกความดื้อมนด้วยการเชี่ยวกลางเล็บกลางงา嘛หลวงปู่มั่นเคยสอนอวดเชี่ยวคือหมาอวดงาคือช้าง<笑>การเชี่ยวกลางเล็บมาเรียนนะสอนยากเหนื่อยแล้วใจเราเนี่ยอยากให้เขารู้สงสารมากเลยอยากให้เขาเข้าใจนะโอ้จะทุ่มเทลงไปนะใช้กําลังจิตกําลังใจของเรานะเพื่อจะให้เขารู้เรื่องให้ได้ สอนวันหนึ่งสองสามคนนะลงไปนอนแผ่อะไรหมดแรงที่หลับไปเป็นชั่วโมงเลยนะกว่าจะมีแรงขึ้นมาตอนเย็นละมาพานาได้ตอนเย็นสี่มงเย็นนะสามโมงเย็นสี่มงเย็นภาวนาแล้ภาวนากลางคืนช้ามาโยมมาอีกละอย่างอายุเยอะขึ้นแนละ้วแรงมันตกต้องหาทางสู้พลิกแปลงอะไรเยอะเหลือเกิน งั้นภาวนาตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวเนะี่ยดีที่สุดเลยนะทําได้ดีที่สุดงั้นอันแรกมีศรัทธานะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยนะไม่โอ้อวนไม่มีมานะซื่อๆงั้นอยากภาวนาให้ดีนะใจซื่อๆไว้ใจเจ้าเล่ห์แสนกลดกับครูบาอาจารย์นะภาวนายากจะมาอวดส่งกันบ้านทีก็มาอวดนะ ่ะให้คนชมให้อาจารย์ชมไม่ได้กินหรอกเจ้าเล่เห็น่าคว่าอาจารย์ไม่รู้นะยังไม่อ้า ป, ปาก็รู้แล้วภานาขนาดไหน <c oughs> สมัยพุทธกาลพระประเภทพวกเราก็มีเหมือนกันเละส่งกันบ้านเพื่ออวดจะ อ, อวดกับพระพุทธเจ้าอวดกับเพื่อนภิกษุด้วยกันอะไรเงี้ยพอนาไม่ค่้าไหนนั้นก็บอก ด, งงดีอย่างนู้นดีอย่างนี้ กิเลสมีอะไรนะซ่อนไปหมดเลยไม่ยอมบอกนะอย่างพวกเราภาวนานะมังเก่งไหมหลวงพ่อจะสอนให้พวกเรากล้าหานซื่อสัตย์กับตัวเองลอกเปลือกของตัวเองปอกเปลือกตัวเองเออกมานะใส่หมูกระดาษไว้รู้ทันใส่หมูกระดาษไว้รู้ทันมันไปนะกระทอบเปลือกตัวเองเออกมาให้ได้แล้วจะภาวนา ง, ง่ายนะสร้างเปลือกขึ้นมาหลอกลวงตัวเองหลอกลวงคนอื่นว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนดีภาวนาไม่ไหวหรอก มีแต่ของปลอมมายาแล้วเราซื่อๆนะมาเรียนธรรมะเรียนด้วยความซื่อตรงกับตัวเองอย่าไปหลอกตัวเองว่าดีพิเศษยังงอนอย่างนี้นะรู้ทันกิเลสของตัวเองเข้าไปเรื่อยๆซื่อ ๆ, อๆอถ้าภาวนาจะภาวนาง่ายถ้าไม่ซื่อตรงกับตัวเองไม่ซื่อตรงกับธรรมะภาวนายากมากเลย อีกอันหนึ่งก็คือต้องปรารบความเพี้ยนข้อสถ้าไม่คิดถึงเรื่องการปฏิบัตินะไม่ลงมือปฏิบัตินะมันก็ไม่ได้ผลอะไรฟังธรรมะฟังอย่างเดียวไม่ลงมือทํามันก็ไม่ได้อะไรมีศรัทธาแต่ไม่ทําก็ไม่ได้อะไรสุขภาพดีแล้วก็ไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้อะไรซื่อแล้วซื่อสัตว์ไม่โกหกหลอกลวงไม่หลอกลวง โอ้ปวดตัวเองไม่อะไรแต่ไม่ภาวนาอยู่ของตัวแค่นั้นก็ไม่พอนะงั้นพวกเราต้องมาภาวนาปรารบความเพียรสํารวจตัวเองดูอกุศลอะไรยังไม่ละกุศลอะไรยังไม่เจริญสํารวจตัวเองดูอกุศลอะไรไม่ละบ้างกุศลอกุศลอย่างหยาบนี่มีไหมกุศนอย่างกลางอกุศลอย่างละเอียดมีไหมถ้าอกุศลอย่างหยาบเรายังมีมากนะ ตั้งใจรักษาศีลให้เด็ดเดียวไว้ศีลจะเป็นเครื่องมือต่อสู้กับอกุศลอย่างหยาบที่รุนแรงราคาโทสะโมห oh ะรุนแรงเป็นสัญชาติตยานดีบอะไรเงี้ยต้องใช้ศีลกิเลนอย่างกลางก็คือพวกนิวรน์ทั้งหลายพวกที่ทำให้จิตฟุ้งซ่านฟุ้งไปในกามฟุ้งไปในความพยาบาทฟุ้งสเปสปะฟุ้งไปในความลังเลสงสัย ฟุ้งไปแล้วก็หมดเรี่ยวหมดแรงอันนี้ยสู้ด้วยสมาธิไม่ให้จิตฟุ้งไปอยู่กับพุโทโธอยู่กับคําบริกรรมนะให้จิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ให้จิตฟุ้งไปเพื่อได้สมาธิขึ้นมาดูไปยังรู้ความจริงของรูปของนาของกายของใจไหมถ้าไม่รู้ก็ขยันรู้หน่อย งั้นต้องปราบลบความเพียนอาคุศลอะไรยังไม่ละรู้ทันนะก็รู้ว่าอะไรจะเป็นเครื่องมือต่อสู้กับอาคุศลแต่ละชนิดแต่ละชนิดนะอาคุศลหยาบรักษาศีลไว้ก่อนนะอาคุศลอย่างกลางความฟุ้งซ่านทั้งหลายนิวรณ์ทั้งหลายฝึกจิตพุโทโธไปหายใจไปจิตนีไปคิดรู้ทันนะจิตฟุ้งซ่านไปรู้ทันจิตจะค่อยสงบเข้ามานะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว แล้วก็ได้กุศลไปในตัวเองรักษาศีลก็ได้กุศลใช่ไหมก็สู้กับอกุศลหยาบจิตใจมีความสงบตั้งมั่นก็เป็นกุศลนะคือกุศลสูงกว่าศีลอีกในสมาธิก็ล้างอากุศลระดับนิวรณ์ไปนะมาเจริญปัญญาล้างอากุศลชั้นละเอียดปัญญาเป็นกุศลชั้นสูงสุดเลยนะปัญญาก็คือการเรียนรู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจ รรู้ให้มากมากดูว่าจริงๆเขาเป็นยังไงให้เรียนรู้นะไม่ใช่ให้บังคับเรียนรู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจนะตรงถึงขั้นปัญญาเนี่ยท่านยกขึ้นมาเป็นอีกข้อหนึ่งเป็นข้อห้า เ, ยเลยเจริญปัญญาเพราะอะไรบางคนปลารบความเพียร น, นะแล้วไปหยุดอยู่แค่สมาธิท่นะานเลยต้องแยกปัญญาให้เด่นออกมาอีกตัวงนะข้อหนึ่งมีศรัทธานะข้อสอง มีสุขภาพแข็งแรงพอสมควรข้อ3ซื่อตรงในการปฏิบัติซื่อกับใจตัวเองไม่ไม่หลอกไม่เป็นหมูกระดาษข้อ4ประรบความเพียนคือรกักษาศีลทำสมาธิไปให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมาถึงข้อ5้าท่านแยกออกมาความจริงมันก็คือความเพียนเหมือนกันเป็นความเพียนในการเจริญปัญญา มาเรียนรู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจเรื่อยไปเนะนี่ยถ้าเราทำได้อย่างนี้นะมากผลนิพพานไม่หนีไปไหนนะนี่คือองค์ประกอบห้าประการนี่องค์ทำของผู้ปฏิบัตนะิเราลองสำรวจดูพวกเราขาดอะไรนะสุขภาพไม่แข็งแรงช่วยไม่ได้แล้วก็นะวรักษาสุขภาพไปเท่าที่รักษาได้หลวงพ่อแต่ก่อนชอบทาอนาปนานสตินะ ต่อมาช่วงที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพนานนะเป็นโรคภุ่มแพ้เดี๋ยวนี้หายแล้วนะหายใจไม่ออกฝึกอนาปรสนสติแล้วหายใจไม่ออกเวียนกรรมแท้ๆเลยทำไงเคยเจอพระองค์หนึ่งนะท่านไม่สบายก็ไปเยี่ยมพระอีกองค์หนึ่งแล้วท่านนอนอยู่เตียงใกล้ๆกัน เห็นท่านใสแต่อย่างพูดได้ก็ไปคุยกับท่านว่าท่านภาวนาอย่างไรท่านบอกโอ้ผมสบายผมพุโทโธองค์โน้น อ, นอะ่ะหายใจเสร็จแล้ว <c oughs> หายใจไม่ได้ <c oughs> ผมพุโทโธสบายจริงๆถ้าทำกรรมฐานอันหนึ่งได้นะมันจะเนื่องไปที่อันอื่นมันพลิกได้หมดอะ่ะ ถ้าเราตั้งใจจริงชำนิชำนาญขึ้นมานะหายใจไม่สะดวกก็พูดโทรเอานะอะไรไม่ได้ก็พิจาณาแยกธาตุแยกขันพิจาณาปฏิกูลาสุภาษ์อะไรเงี้ยคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงความตายนะนี่ก็เรื่องสมถะทั้งหมดอ่ะนะก็พลิกแปลงเอาหรือกสินก็ใช้ได้กรนะสินเพราะนอนอยู่โรงพยาบาลดูข้างฝาไปด้วยดูได้หลายอย่าง ฝามันทาสีเอาไว้สีเหลืองๆก็เล่นกระสินสีเลยสีขาวๆก็เล่นกระสินสีเลยนะก็ทําได้ดูธาตุดินก็ได้มันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุใช่ไหมดูเป็นธาตุดินก็ได้ดูช่องหน้าต่างทําอากาศกสินก็ไดนะ้คือถ้าได้ได้อันหนึ่งชํานาญนะจะเนื่องไปหมดเลยกรรมฐ า, านสี่สิบเนื่องกันไปหมดทาได้หมดอ่ะพลิกแปลงไป ทําได้อันเดียวลําบากแนละ้เกิดทำไม่ได้หายใจเนี่ยดีมากเลยทํากับรรฐานหายใจนะเกิดหายใจไม่ออกจะทําทไงจะต้องลองหัดคลิกแคลงไว้สักสองสามอย่างนะเอาไว้ช่วยตัวเองจะ <c oughs> ยากอะไรเองใช้อากาศกระสินดูช่องว่างช่องประตูช่องหน้าต่างโรงพยาบาลมันก็มีนะตอนนี้ไป น, นอนอยู่เตียงที่ไม่เจอช่องเลย <c oughs> เห็นแต่ข้างฝา <c oughs> ก็ทํากระสินข้างฝานั่นแหละนทําได้อีก ดูไปบางทีมีรูปพระคิดถึงพระพุทธเจ้าได้ได้กรรมฐานอีกแล้วเห็นรูปในหลวงนี่เทวดานุสติพระเจ้าอยู่หัวของเรามีคุณธรรมสูงเป็นเทวดาเรียกว่าส ม, มุติเทพนึกถึงความดีของพระเจ้าอยู่หัวอะไรย่างเงี้ยใจก็เบิกบานร่าเริงสงบได้อีกอกรรมฐานเห็นจะ ย, ยากอะไรเลยถ้ารู้จักพลิกแปลงให้พอนะมันง่ายไปหมดอนะ นี่ส่วนของสมถะนะส่วนของการเจริญปัญญามีใจตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูพอใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเวลาดูกายก็เห็นไตรลักษณ์ของกายดูเวทนาก็เห็นไตรลักษณ์ของเวทนาดูจิตก็เห็นไตรลักษณ์ของสังขารเห็นไตรลักษณ์ของจิตจิตเดี๋ยวเกิดที่ตานี่เกิดที่หูเดี๋ยวที่จมูกที่เล่นที่กายที่ใจนี่ไตรลักษณ์ของจิตไตรลักษณ์ของสังขารเช่นเดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ร้ายนะ เดี๋ยวจิตก็ เ, เป็นสุขเดี๋ยวจิตก็ เ, เป็นทุกข์อย่างนี้ก็ดูได้สําคัญอยู่ที่ว่าฝึกเจนใจมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้อนนะะนเสร็จแล้วมันง่ายเป็นหมดเลยดูกายก็เห็นไตรลักษณ์ดูเวทนาก็เห็นไตรลักษณ์ดูสังขารก็เห็นไตรลักษณ์ดูจิตก็เห็นไตรลักษณ์ดูอะไรๆเห็นไตรลักษณ์ไปด้วยในรูปในนามมิปัตนากรรมฐานนั้นต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนาม งั้นถ้าเราดูเป็นนะอะไรอรมันก็มีในกายในใจนี่นะทุกสิ่งทุกอย่างสอนใจรักหมดเลยไม่มีหรอกสายกายสายเวทนาสายจิตอะไรไม่มีนะคือถ้าภาวนาเป็นแล้วนะไม่มีสายไหนสายไหนนะสติะระลึกรู้อะไรก็เห็นไตรักของอันนั้นในที่สุดก็รู้ว่าทุกสิ่งตกอยู่ใต้ไตรลักนะแต่ถ้าใครชํานาญกายเอากายเป็นพื้นฐานไว้กายเป็นวิหารธรรมเป็นหลักไว้แต่พอจิตมันไปรู้อย่างอื่นมันก็เห็นไตรลักษณ์อีกไม่ใช่เห็นเฉพาะกาย นี่ฝึกไปเรื่อยนะจใจมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้จริงๆสติระลึกรู้รูปนามันใดก็ตามล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์ให้ดูได้ทั้งสิ้นกรรมฐานเอ้เรากว้างกวางนะมันสบายไปหมดเลยสมถาก็ง่ายกรรมฐานสี่สิบง่ายไปหมดเนะี่เนื่องกันมันทำได้ไปหมดเ็ใจที่มีความสุขมีความสบายอยู่ในอารมณ์เดียวจะกรรมฐานสี่สิบมันกรรมฐานห้าสิบนะ มันก็หลักเดียวกันนะคือมีใจที่สบายอยู่ในร่มันเดียว ไ, ได้สมถะห้มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นรูปธรรมนามมาทำทำงานไปนะมัก็เป็นวิปั ส, สนาดูอะไรก็เป็นวิปั ส, สนารูปนามอะไรก็วิปั ส, สนาหมดงั้นเรียนหลักให้ได้นะกรรมาฐานง่ายไปหมดเลยเรียนกับหลวงพ่อคล้ายๆเรียนเคล็ดวิชานะไม่ใช่เรียนกระบวนท่า งินบางคนบอกว่าหลวงพ่อประโมทสอนอะไรว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่เห็นบอกเลยว่าให้เดินแบบไหนให้นั่งแบบไหนกินข้าวให้เคี้ยวกี่ครั้งก่อนจะกลืนไม่เห็นสอนเลยจะนอนต้องนอนตะแคงข้างไหนอะไรเงี้ยไม่เห็นสอนเลยจะเดินก้าวหนึ่งต้องยาวแค่ไหนเดินเร็วแค่ไหนเวทนาเกิดขึ้นจะให้ทนหรือไม่ให้ทนให้เอาชนะมันหรือว่าให้รู้มันอะไรเงี้ยไม่เห็นพูดอะไรเลย สอนอะไรก็ไม่รู้นี่บางคนว่าอย่างนี้นะ mm hmm. หลวงพ่อประมมทสอนยากเหลือเกินบางคนก็เข้าใจหลวงพ่อสอนหลักสอนแก่นสอนเคล็ดวิทยายุทธให้นะได้เคล็ดวิชานี้แล้วเอาไปใส่ในกระบวนท่าได้ทุกกระบวน่าเลยอย่างได้เคล็ดวิชาสมาถกรรมฐานเนี่ยเคล็ดของสมถกรรมฐานนี่ก็คือมีสตินะมีสติหน้าขาดไม่ได้รู้อารมณ์อันเดียวนะ อย่างต่อเนื่องแลเป็นอารมณ์ที่มีความสุขความสบายแล้วเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสเนี่ยน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขความสบายแล้วก็ไม่ยั่วกิเลสจะเป็นอารมณ์กรรมฐานอะไร40นะั้นได้หมดเลยใช้หลักอันเดียวกันเองกรรมฐานนอกจากกรรมฐาน40ก็ยังมีไม่ใช่ไม่มีอย่างพระจุลพันธะ ไปบวชนะพี่ชายคือพระมหาพันธากะเป็นพระที่จีเนียสมากเลยมีชื่อเสียงเป็นเอตตทักค่าองค์หนึ่งเลยแต่งบทสรรเสริญพุทธคุณนะให้น้องชายท่องเพื่อน้องทายจะได้สมาธิจะได้เดินปัญญาต่อพระจุลพันธากะจำไม่ได้เลยพี่ชายให้แต่งตั้งสประโยคนี่จำไม่ได้พี่ชายซ้อนยังไงไงนะตั้งหลายเดือนแนละ้วสี่ประโยคนี้จไม่ได้สมองทึบมากเลย พี่ชายเลยไล่บอกเธอไม่มีวาสนาในระศาสนาแล้วสึกไปเถอะมาบวชกินข้าวชาวบ้านเขาอยู่เลยท่านก็เสียใจนะคิดจะไปศึกเดินออกจากวัดไปก็แปลกนะแทนที่จะศึกกับพี่ชายนะพี่ชายไล่ให้ไปศึกท่านเดินออกจากวัดนะพระพุทธเจ้าท่านไปดักอยู่ถามว่าทําอะไรบอกจะไปศึกแล้วเพราะว่าพี่ชายบอกว่าบวชแล้วไม่ได้ผล พระเจ้าท่านถามเธอบวชนะ่าจะเป็นสาวกของเราหรือเป็นสาวกของพี่ชายอ่ะบวชนี่ยเอาพระพุทธธรรมพระสงค์เป็นที่ตั้งนะอืมพี่ชายไม่เอาไม่มาหาเราเนี่ท่านสอนท่านให้ผ้าขาวไปผืนหนึ่งบอกขยี้ผ้าขาวนะรับบริกรรมไปผ้าเช็ดฝุ่นย่อมเช็ดฝุ่นผ้าเช็ดฝุ่นย่อมเช็ดฝุ่นท่องแค่นี้เองระโชหรนังระชังหรติระโชหระนังระชังหรติ นั่งขยอย่างเงี้ยนะถึงเวลาฉันข้าวคนเขานิมนต์พระทั้งวัดเลยพี่ชายคิดว่าน้องชายออกไปศึกแล้วไม่เรียกไปด้วยนะเรียกพระทั้งวัดพระพุทธเจ้าด้วยไปฉันข้าออกไปข้างนอกวัดนะนี่ก็แล้โชห์ระนังแล้วชั่นาระติอยูน่นะถูไปถูไปนะท่านเห็นว่าผ้าผ้าขาวที่พระพุทธเจ้าให้มานะดำมันเปื้อนแล้ว ผ้านี้มันเช็ดขี้ฝุ่นคือร่างกายนี้ละจิต ท, ท่านได้อสุภกรรมฐานเห็นั้มท่านทําอสุภกรรมฐานโดยไม่ได้ไปพิจารณาว่าร่างกายสกปรกนะอสุภกรรมฐานที่พระเจ้าสอนพระจุลปันธกะขยี้ผ้าขาวขยี้ผ้าดำํทำทําไมท่านให้ขยี้ผ้าขาวท่านรู้ว่าในอดีตเนี่ย พระจุลปันธกะเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะแล้วก็ขี่ช้างไปพอเหงือออกเนี่ยเอาผ้าซับเหงือ่อซับเสร็จแล้วก็พราบว่าผ้าเนี่ยสกปรกท่านเลยได้อสุภาสัญญามาได้แต่ชาติโน้นพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยสอนต่อยอดเงั้นกับมาฐานถ้าเราเรียนต่อยอดแล้วเราจะไปได้เร็วมากเลยเคยทํามาอย่างนี้นะต่อยอดอย่างนี้ไปเร็วเลยพอท่านเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภาษณ์จิตท่านรวมจิตท่านสงบเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยส่งพลังงานของท่านมา ในตำราบอกฉายพระราชมีมาซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติไม่ เ, เรื่องประหลาดอะไรครูบาอาจารย์รุ่นที่พวกเราทันทันนี่ยังมีอยู่เลยบอกให้ก็ได้เพราะท่านสิ้นไปแล้วคือหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศนะบอกให้ลูกศิษย์ภาวนาลูกศิษย์ขี้เกียจนะมายืนอยู่หน้ากุฏิเลยนะยืนอยู่หน้าประตูเลยในมีประวัติหลวงปู่แฟบเพิ่งจะอ่านเนี่ยคุณอุษามา อยู่ที่อื่นอยู่สะกล น, นะภาวนาแล้วเกิดสงสัยอยากจะถามหลวงปู่เทศแค่ภาวนาอยากจะถามเท่านะยังไม่ทันจะไปหาท่านเลเตรียมจะไปหาท่านนั้นท่านส่งจดหมายมาตอบคําถามให้แนละ้วบอกที่สงสัยนะอาจารย์ตอบให้แล้วไม่ต้องมาหรอกนะพระพดทเจ้าท่านก็ส่งพลังงานนี้เนี่ยมาสอนให้บรรลูพระอรหันต์ได้นไงกรรมฐ า, านนะแค่อย่างเนี้ย นึกไม่ถึงใช่ไหมว่ากรรมฐานได้อะไรได้สมถะกรรมฐานเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ต้องมาสอนเรื่องรู้รูปรู้นามนั่นแหละมารู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจต่างความเป็นจริงรู้ได้จิตตั้งมั่นรู้ได้จิตเป็นกลางอาจจะสอนด้วยภาษาที่หลากหลายท่านก็ฟังแล้วก็ปิ๊งเลยบรรลุพระอรหันต์แถมมีฤทธิ์เยอะด้วยแยกร่างกายได้เยอะเป็นเอตทัคฆะองค์หนึ่ง งั้นถ้าเรารู้หลักของการทำกรรมฐานนะทั้งสมถะทั้งวิปัสสนานะกรรมฐานว่าเราจะไม่ลำบากไปนะแล้วถ้าเรามีองค์ธรรมครบห้าประการนะความเจริญก้าวหน้าในธรรมะของเราก็จะรวดเร็วน ะ, ะเชิญไปทานข้าว